สุดผุดมองใสตัดมูลกิเลธไลลกลพุทธวิธีชนะความโกรธรเรียบเปรียงโดยดธรรมวัทโทภิขุ แ, <ล>แห่งวัดโสมนัสวิหารดวงแก้วนาชื่นชมชุดโลกทีสกสม ดับพระทรมด้วยพระธรรมความโกรธหรือเพลิงโทสะได้เผาผลาญสัตว์โลกมานานแล้วแม้ขณะนี้ก็ยังเผาผลาญอยู่และจะยังคงเผาผลาญต่อไปในอนาคตยากที่จะหาสิ่งใดมาดับลงได้จะมีก็แต่ พระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้วบริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยอัตถะและพยัญชนะเท่านั้นที่จะดับเพลิงโทสะนี้ได้ ลักษณะของความโกรธในคำภีร์มหานิเทศภาษาริบุตรได้อธิบายไว้ว่าความโกรธหมายถึงสิ่งต่อไปนี้คือความปองร้ายความมุ่งร้ายความขัดเคืองความขุ่นเคืองความพยาบาทแห่งจิตความปัททุสรายในใจความโกรธ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 พระพุทธองค์ได้ตรัสถึงลักษณะของความโกรธว่ามีรากเป็นพิษมียอดหวานที่ว่ามีรากเป็นพิษหมายความว่าเมื่อความโกรธเกิดขึ้นมาแล้วจะแสดงพิษสงต่อจิตใจทําให้หงุดหงิดเร่าร้อนเดือดดานจึงต้องรีบระบายความหงุดหงิดเร่าร้อนเดือดดานออกไปโดยเร็ว โดยการด่าว่าทุบตีหรือทำลายบุคคลหรือสิ่งของที่เป็นต้นเหตุให้โกรธเมื่อได้ทำจนสาเกียจใจแล้วในบั้นปลายจะรู้สึกโล่งใจสบายใจจึงเรียกว่ามียอดหวานความโกรธร้ายแรงกว่าอักขีภยัยความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินอันเนื่องมาจากไฟภายในคือโทสะนั้นมีมากกว่าไฟภายนอกอย่างเทียบกันไม่ได้ เมื่อเพลิงโทสะเกิดขึ้นแทนที่จะทำให้สว่างกลับทําจิตใจให้มืดมิดยิ่งขึ้นคนโกรธย่อมไม่รู้จักประโยชน์ของตนชัดตามความเป็นจริงไม่รู้จักประโยชน์ของผู้อื่นชัดตามความเป็นจริงคนโกรธย่อมก่อกรรมที่ทำได้ยากเหมือนทำได้ไง่ายคนโกรธฆ่าบิดามารดาก็ได้ ข้าภาขีนาศพก็ได้ข้าปุถุชนก็ได้ข้าตนเองก็ได้คนดีๆเป็นจำนวนมากไม่สามารถเอาชนะความโกรธที่พรุ่งพล่านขึ้นมาเพียงชั่วครู่ได้หลังจากที่หายโกรธแล้วจึงต้องไปทนทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสในเรือนจำเป็นแรมเดือนแรมปี ระดับขั้นของความโกรธเมื่อแรกเริ่มความโกรธก่อตัวขึ้นมาเพียงเล็กน้อยเมื่อเราไม่มีสติรู้เท่าทันไม่รีบระงับเสียก่อนปล่อยให้ลุกลามมากขึ้นมากขึ้นโดยลำดับในที่สุดก็มากขึ้นยากที่จะควบคุมได้ดังเรื่องของนางเวเทหิกา ในกะกะจูปมาสูตรความว่าในกรุงสาวัตถีมีแม่บ้านคนหนึ่งชื่อว่า เวเทฮิกานางมีหญิงรับใช้คนหนึ่งนามว่ากาลีเป็นคนขยันไม่เกียจคร้านจัดการงานดีวันหนึ่งนางกาลีคิดว่านายหญิงของเรามีชื่อเสียงขจรไปทั่วว่าเป็นคนสงบสงเง่ยม อ่อนโยนเรียบร้อยเพราะไม่มีความโกรธอยู่เลยหรือเพราะเราจัดการงานทั้งหลายเรียบร้อยดีนางจึงไม่ทำความโกรธที่มีอยู่ภายในให้ปรากฏออกมาจำเราจะต้องทดสอบดูวันรุ่งขึ้นนางกาลีกแกล้งตื่นสาย แม่บ้านเวเทหิกาจึงตวาดนางกาลีนี่นางกาลีอะไรเจ้าค่ะเองเป็นอะไรถึงได้ลุกขึ้นจนสายไม่เป็นอะไรดอกเจ้าค่ะนางคนชั่วร้ายเมื่อไม่เป็นอะไรทำไมเองถึงลุกขึ้นจนสายขนาดนี้นางเวเทหิกากล่าวอย่างนี้แล้วก็โกรธขัดใจทําหน้าบึง้งนางกาลี ต้องการจะทดสอบนายหญิงของตนให้ยิ่งขึ้นไปอีกวันต่อมานางกาลีจึงแก้งตื่นสายกว่าเดิมอีกแม่บ้านเวเทฮิกาก็ตวาดนางกาลีอีกนี่นางกาลีอะไรเจ้าคะ่ะแม่นายเอ็งเป็นอะไรฮะถึงได้นอนตื่นสายไม่เป็นอะไรดอกเจ้าคะ่ะชะนางตัวร้ายนี่ก็เมื่อไม่เป็นอะไรทําไมเอ็งถึงนอนตื่นสายแล้วฮะ นางเวเทฮิกากล่าวอย่างนี้แล้วก็โกรธขัดใจแผดเสียงด่าด้วยถ้อยคำอันหยาบคายนางกาลีคิดว่าเป็นเพราะเราจัดการงานทั้งหลายให้เรียบร้อยดีนายหญิงของเราจึงไม่ทำความโกรธที่มีอยู่ภายในให้ปรากฏออกมาไม่ใช่ไม่มีความโกรธจำเราจะต้องทดลองให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้อีก แต่นั้นมานางกาลีก็ลุกขึ้นสายกว่าทุกๆวันครั้งนั้นแม่บ้านเวเทหิกาผู้เป็นนายก็ร้องด่ากราดโกรธจัดคว้าลิ่มประตูปานางกาลีทำให้นางกาลีศีรษะแตกโลหิตไหลสม่ม เที่ยวโพรธนาไปทั่วแต่แนนมาแม่บ้านเวเทฮิกาก็มีชื่อเสียงขจรไปว่าเป็นคนดุร้ายไม่อ่อนโยนไม่สงบเสงี่ยมเรียบร้อยในเรื่องนี้ลำดับขั้นตอนความโกรธของนางเวเทฮิกาเริ่มจากขัดใจทำหน้าบึง้ง แอเสียงด่าด้วยคำหยาดและใช้ลิ่มประตูปานางกาลีในคำพีมหานิเทศพระสารีบุตรได้แสดงลำดับขั้นตอนของความโกรธอย่างละเอียดจากน้อยไปหามากเป็นขั้นๆดังนี้ทงจิตให้ขุนมัวทาให้หน้าเง้าหน้างอหน้าบูดหน้าเบี้ยว ทำให้คางสันปากสันเปล่งพรุสวาจาเลี้ยวดูทิศ ต, ต่างๆเพื่อหาท่อนไม้จับท่อนไม้และสาตราเหงือท่อนไม้และสาตราให้ท่อนไม้และสาตราไปถูกต้องผู้อื่นทำให้เป็นแผลเล็กแผลใหญ่ทำให้กระดูกหักทำให้อวัยวะน้อยใหญ่หลุดไปทำให้ชีวิตผู้อื่นดับ เมื่อใดความโกรธให้ฆ่าผู้อื่นแล้วจึงให้ฆ่าตนเมื่อนั้นความโกรธจะเป็นไปอย่างรุนแรงอย่างหนักสาเหตุของความโกรธสาเหตุที่ทำให้โกรธมีมากมาย เช่นถูกดูมินเกลียดชังถูกหักหลังรังแกถูกปัดแข้งปัดขาถูกข้ามหน้าข้ามตาถูกด่าว่าเสียหายถูกใส่ร้ายป้ายสีถูกติฉินนินทาเป็นต้นสาเหตุแม้จะมีมากจนดูเหมือนว่าไม่อาจจะบรรยายให้หมดได้แต่ในอาคาดวัตถุสูตรกล่าวว่า สาเหตุแห่งความอาคาตหรือความโกรธมีอยู่สิประการคือโกรธเพราะเขาเคยทำความเสียหายให้แก่เราโกรธเพราะเขากำลังทำความเสียหายให้แก่เราโกรธเพราะเขาจะทำความเสียหายให้แก่เราโกรธเพราะเขาเคยทำความเสียหายให้แก่คนที่เรารักโกรธเพราะเขากำลังทำความเสียหายให้แก่คนที่เรารัก โกรธเพราะเขาจะทําความเสียหายให้แก่คนที่เรารักโกรธเพราะเขาเคยช่วยเหลือคนที่เราชังโกรธเพราะเขากําลังช่วยเหลือคนที่เราชังโกรธเพราะเขาจะช่วยเหลือคนที่เราชังโกรธโดยไร้สาเหตุพุทธวิธีชนะความโกรธ ทุกคนในโลกนี้บางคนเป็นคนจู้จี้ขี้บนขี้โมโหชอบเอาแต่ใจตัวเองอ่อนไหวง่ายเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายโกรธง่ายแม้ในเรื่องเล็กน้อยไรสาระโกรธไปหมดถึงลมฟ้าอากาศและสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวดังคำจำนวนที่ว่าฝนตกก็แชงฝนแรงก็ดา่าแต่หายเร็ว เหมือนรอยขีดในดินเมื่อถูกน้ําเซาะหรือลมพัดก็เลือนหายได้ง่ายบางคนเป็นคนช่างจดช่างจําใครทําอะไรล่วงเกินไว้พอที่จะให้อภัยได้ก็ไม่ยอมให้อภยัยแถมยังเก็บความขัดเคืองนั้นไว้ในใจไม่ยอมลืมง่ายๆเหมือนรอยขีดในหินจะขีดเล็กหรือใหญ่แม้จะถูกน้ำซะ้ะหรือถูกลมพัดก็จะไม่เลือนลาง หายไปไง่ายๆโดยมีบางคนโกรธกันตั้งแต่หนุ่มจนแก่ไม่ยอมพูดกันเลยบางคนเป็นคนเจ้าโทสะอย่างมากถ้าใครทำให้ไม่พอใจแม้เพียงเล็กน้อยก็ต้องตอบโต้ทันทีถ้ายังไม่ได้ช่องก็ผูกใจเจ็บไม่ว่าจะแก้แค้นในวันหน้าเรื่องการให้ภัยไม่ต้องพูดถึงหากท่านเป็นหนึ่งในบรรดาบุคคลที่กล่าวถึงนี้ ก็จำเป็นอย่างยิ่งที่ท่านจะต้องศึกษาหาวิธีการต่างๆเพื่อรับมือกับความโกรธความอาฆาตพยาบาทของท่านแม้ไ ม, ม่อาจเอาชนะได้อย่างเด็ดขาดเพียงแค่ให้บรรเทาเบาเ บ, า, บ, า, บางลงบ้างก็อย่างดีสำหรับชาวพุทธผู้นับถือพระพุทธศาสนาก็มีวิธีการที่จะเอาชนะระงับหรือบรรเทาความโกรธความอาฆาตพยาบาทโดยนาเอาคาสอนที่ว่าด้วยความโกรธ หรือประสบการณ์ของพระพุทธเจ้าและพระสาวกที่ได้ะจนกับความโกรธของบุคคลในรูปแบบต่างๆกันมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในที่นี้จะขอเรียกวิธีการเอาชนะระ ง, งับหรือบรรเทาความโกรธความอาฆาตพยาบาทตามหลักพระพุทธศาสนาว่าพุทธวิธีชนะความโกรธ